พควออามหรเรื่องมาไม่รู้ภาษาีภาษาเขมีในอย่างวันนี้ก็ ม, มาขอเลือดขอเลืมันจะสะดุกจิตนะมันอะไรกันที่ถูกเราควรจะทราบไว้ก่อนเรื่องราวอย่างนี้นี่ทําไมโผล่เข้ามาแล้วถึงทราบนี่จะเป็นเหตการณ์น้เหมือนกันนะเพรามันจะแซงหน้าแซงหลังมันแต่ละ น, นั้นะนีะกำลังจะแซ ง, งเรื่องเกี่ยวกับวัตถกุการก่อสร้างนั่นกัน มันจะแซงหน้าแซงหลังไปเลยมีทั้งหมดกดขันเพื่ออัดเพื่อทําเพื่อคงจะพลากระวแทให้ไม่จิตใจนักทะเลถลายอยู่เรื่อยๆประกาศตัวเองให้เห็นประกาศตัวเองให้เห็นมันไม่อยู่ในความพอหมาะพอดีอย่างนั้นพอเป็นไปพออใส่แล้วไม่ถือเป็นฟ้าแข็ ง, ขงันนันนกความที่ว่าปัดใจปัดไจ แต่เรื่องจิตใจเป็นของสาคัญมา ก, กาที่บอกนี่ต้องมีความหนักแน่นตลรดเวลามันจะเหลือมั่งภาามากอาไรไหนตอนไหนมัน ก, กีดกวาขวางเรไปเรื่อยๆนะขวางก็ค ว, า ง, วางทำมาแลมหละมีเล่หตัวมีอำนาจมาดั้งเดิมอยู่ว่าม่หายใจมันลดํานาจเมื่อไหร่มันจมาตอไหนตอไหนด ผูส้สามผัสไปผู really parole, ้ยุควยนก็จะนักด้วยย่างหน่อยผยุควันก็นักผมว่านานไม่ต้องพูดเลยผมม่งดูแท๊บแพ๊แพบมันก็จะรูมันรูเพื่องไปทันทีทันทีเนี่ยนี่ผมก็มีประชุมมาทั้งนานทั้งต้องออกคาสามมาแล้วนี่ประชุมไม่กี่หนหนึ่งหรสองเั้นที่ดูแต่ก่อนไม่เคยรู้ไมล่าขนาดนี้แ่าแต่การบินประบาดผมไม่เคยล่านะ พอไปได้แล้วเปล่าตก้นี่ธรรมะมันเป็นตัอย่างนั่นก็ดูเอสิบางวันไม่ได้ันก็ไม่ได้บินสบายไม่ันมันมีผมไม่เคยทํามานะเรื่องเหล่านี้แม้แต่เป็นไข่กลางหลับนี่ไปฉันไม่บินสบายไม่ได้หรือวันนี้ไปไม่ได้ไม่ต้องฉันธรรมนต่อนอนไม่หลัพอได้พอไปได้ไปพอทำแล้วทำมันนั่งนี่อนไม่เอะ ปีนี้ธามัมเพียบแล้วโดยเฉพาะโรคหัวใจเอม่มันเลยเวลาจะเป็นก็ปุบปับอย่างที่เห็นนี่เวลามันหาไปเหมือนไม่เคยมีอะไรนี่ยโกนี่สังเกตยากจับไม่ได้นะจะคล้องเองยังเกตได้ดูีหมอเวลาจะเป็นกุ๊กลับมาเลยเหงาโลกตายง่ายธรรมดาเพื่อแฟนก็คุณไปมันไปนานนนแลละอืม คงจะเป็นพระองค์เราเราูงโค้งเราไม่เคยหวั่นเคยไหวทุกมันเรื่องธาตุลมธาตุลมขันขุนเรียนมันก็จนก็เป็นทักตายเพราะเรียนเรื่องทางตุลมขันเป็นขึ้นมานะก็เรื่องกตจะทําตื่นแล้วนะเมื่อวานก็ตื่นเป็นก็ไม่ตื่นตาก็ไม่ตื่นเพราเป็นเรื่องความจริงเสมอคไปมีอะไรพอแค่ตื่นขอวัดปฏิบัติ เป็นส่วนรวมของมันกันนะอย่าให้ได้พูดอยให้ได้บอกใครทั้งหน้าต่างๆมาพนะิสาวรณาทุกคนนาทีการงานเกีนนะเ่ยวกับส่วนรวมคดีเดี๋ยวกป็เรื่องของตัวเฉพาะตัวเอ ง, องเร่งความภาคเัียง่ถึงทั้งหน้าต่างๆปฏิบัติจริงภายนอกก็เป็นเรื่องอาศัยอย่างที่ว่าจําเป็นจะจําเป็นภายนอกจําเป็นภายในยต่างกันนะ นเราไม่ม mm ีมาตรวจท่าที่โมงนะก็ตรวจิดเดียวเอาละเดี๋ยวไปตัดนะเนี่ยขอให้ไข่ขอให้